50 languages. 22. By. การสนทนาสาม b a r j i n คุณสูบบุหรี่ไหมคะคิดถซิซิเกตพินเดหฮุทฉันเคยสูบค่ะ จीฮ่าลลาพินด स ी ज จ ह ฮ่าเพินดีซีแต่ตอนนี้ดิฉันไม่สูบแล้วปาร์ฮุนไม่ินด้าฮ่าพาร์ุนไม่ินดีห่ารบกวนคุณไหมคะถ้าดิฉันจะสูบบุหรี่จีแม้สิเกรัीพีมาทั้งคีตุฮันุทักลีฟโเวิไม่เลยค่ะ มันไม่ได้รบกวนดิฉันค่ะมนูกลีฟไม่โเกคุณจะดื่มอะไรไหมคะิตุซบรันดีไหมคะอีกบรนดีไม่ค่ะดิฉันชอบเบียรมากกว่า จी नहीं โो स क ेตาอ क กเบียรคุณเดินทางบ่อยไหมคะยคะคยินบ่อยคคุิาบ่ยไะคุณเดินทบ่อยคเนา่ะส่วเดินทาง่เป็นการ่อุเดินทางเพืด่อยุรเคยเินทางบ่อาต่อนาไเยนี้อเรนามเาพักร้มาอน पर อหมคะคุณเคยเดินทาง आ ए อ พาร์ฮูนอาศุเดเลย่ทนีร้อนอะไรอย่างนี้เคนานี้ร้่นนี้ริใช่วันนี้ร้อนจริงๆี้นจริีอีรีรีงันออรงนี้จีงนรนริงีนี คือเลือกที่อีกปาตคุณจะมาร่วมงานด้วยไหมคะคือทุกทวีออนว่าเลค่ะพวกเราได้รับเชิญด้วยจी ह ाนซานูวีบุลลัยกี้ย์า